เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคุณบ๊อบนะคะที่ส่งมาให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันโดยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดเลยเมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมาค่ะช่วงนั้นคุณบ๊อบมีงานต่างจังหวัดบ่อยก็เลยได้เอาแฟนเดินทางไปด้วยโดยหลังจากที่คุณบ๊อบทำงานเสร็จนะคะก็จะตีรถกลับเข้ากรุงเทพเลยค่ะ จนประมาณตีหนึ่งกว่าๆคุณบ๊อบบอกว่ารู้สึกปวดท้องก็เลยหันไปบอกแฟนบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอปั๊มน้ํามันเนี่ยขอแวะก่อนนะอยากเข้าห้องน้ําคุณบ๊อบก็ขับรถหาปัม๊มได้สักพักหนึ่งก็เจออยู่ปั๊มหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟที่หน้าปั๊มไว้เป็นปั๊มที่ค่อนข้างเก่า ก็เลยได้ขับรถเข้าปั๊มไปจอดที่หน้าห้องน้ำโดยภายในปั๊มก็จะมีแสงไฟแค่ตรงที่จ่ายน้ำมันเท่านั้นนะคะคุณบ๊อบก็เลยลงจากรถเดินเข้าห้องน้ำซึ่งลักษณะของห้องน้ำจะมีสามห้องอ่างล้างมือจะอยู่ขวามือสุดคุณบ๊อบเปิดประตูเลือกดูห้องที่สะอาดที่สุดจนไปถึงห้องสุดท้ายค่ะพอคุณบ๊อบเปิดประตูก็เจอกับลุงคนหนึ่งเหมือนคนเมานั่งอยู่บนชักโครก เอาหัวพิงผนังไว้ฝั่งหนึ่งคุณบ็อบตกใจก็เลยรีบปิดประตูนีคะแล้วก็เดินไปห้องที่สองภายในห้องน้ําจะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเพราะว่ามีหลอดไฟอยู่แค่หลอดเดียวกลางห้องน้ําแล้วไฟมันก็จะแบบติดๆดับๆอยู่ตลอดเวลานะคะโดยที่ช่วงคุณบ็อบนั่งทําธุระอยู่นะคะหลอดไฟที่อยู่ในห้องน้ํามันก็มีเสียงค่ะสักพักหนึ่งไฟก็ดับลงคุณบ๊อบ ก, ก็บอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่าดูทรงแล้วมันน่าจะเก่ามากไม่แปลกที่มันจะดับ สักพักก็เห็นเงาคนพาดเข้ามาจากใต้ประตูห้องน้ำที่ประตูจะยกสูงกว่าพื้นเล็กน้อยแล้วก็มีเสียงล้างมือที่ซึ้งด้านนอกนะคะคุณบ๊อบก็อืรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอีกเปราะหนึ่งที่มีคนอื่นอยู่ในห้องน้ำด้วยจนคุณบ๊อบเสร็จธุระก็เปิดประตูเดินออกไปล้างมือที่ซึง้งอ่างล้างมือจะมีอยู่สองอ่างแต่ว่าใช้ไม่ได้ทั้งสองอ่างเลยเพราะว่าไม่มีหัวก๊อกคุณบ๊อบก็เลยเดินเข้าไปในรถหาน้าล้างมือ แฟนคุณบ๊อบที่ปรับเบาะนอนอยู่ก็พูดขึ้นว่าตัวเองจะเข้าๆออกออกรถทําไมหลายรอบเนี่ยคุณบ๊อบก็เลยตอบแบบงงๆบอกว่าเข้าอะไรเพิ่งจะเสร็จธุระแล้วก็กลับเข้ามาในรถเนี่ยแล้วคนเปิดประตูเข้าๆออกออ ก, ออกรถเนี่ยหลับไม่รู้เรื่องเลยเหรอคุณบ๊อบก็เลยดุแฟนไปนะคะแฟนบอกว่าก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูหน้าแล้วก็ไปเปิดประตูข้างหลังก็คิดว่าเป็นตัวเองง่วงก็เลยจะนอนก็เลยไม่ได้ดูว่าใคร เขาก็ยังบอกเลยว่าถ้าไม่ไหวก็นอนนะแต่ก็ไม่เห็นตอบอะไรเลยคุณบ๊อบก็เลยบอกว่าที่เพิ่งเปิดประตูเข้ามาเนี่ยครั้งแรกนะเนี่ยจนไม่อยากเถียงกันต่อไปเนยคุณบ๊อบก็เลยขับรถออกจากต้๊มไปในช่วงเวลาดึกๆจะไม่ค่อยมีคนใช้ถนนเส้นนี้เลยนะคะนานๆก็เลยจะเจอรถสวนมาสักคันหนึ่งคุณบ๊อบก็ขับรถ ไปตามทางเรื่อยๆค่ะลักษณะก็จะเป็นถนน3เลนมีรถ10ล้อวิ่งอยู่เลนซ้ายสุดคุณบอบก็เลยขับแซงไปด้านขวาแต่สังเกตเห็นกระจกมองข้างด้านซ้ายว่ารถ10บล้อเนี่ยดิฟไฟสูงใส่คุณบอบก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขับเร็วเกินกําหนดก็เลยชะลอความเร็วลงเล็กน้อยแล้วก็ขับต่อไปได้สักพักหนึ่งก็เจอรถพ่วงอยู่เลนซ้ายสุดด้านหน้าค่ะคุณบอบก็เลยเหยียบแซงไปทางเลนขวาแต่ว่าคราวนี้โดนทั้งดิฟไฟใส่ทั้งบีบแตรใส่ ก็เลยเริ่มสุขไม่ดีแล้วเอ๊มันยังไงกันแฟนก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเรามันคนต่างถิ่นเขาคนแถวนี้อาจจะมาพานเราก็ได้เดี๋ยวมีเรื่องกันปเปล่าคุณบ๊อบก็เลยไม่สนใจนะคะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆคุณบ๊อบสังเกตเห็นรถกระบะจากกระจกมองด้านหลังขับจี้มาด้านหลังเรื่อยๆด้วยความเร็วแล้วก็ดิฟไฟสูงใส่แบบรัวๆเลยนะคะคุณบ๊อบก็เลยเบี่ยงหลบไปทางเลนกลางแต่ว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยไม่ยอมแซงขึ้นไป แล้วก็ใช้ความเร็วคงที่กับรถคุณบ๊อบดิฟไฟสูงไล่ไปจังหวะค่ะคุณบ๊อบก็เลยบ่นแบบญหญุนหิดบอกว่าแล้วทาไมมึงไม่แซงขึ้นไปล่ะก็หลบให้แล้วเนี่ยก็เลยยกคันเร่งขึ้นเพื่อชะลอรถลงรถกระบะก็เลยแซงขึ้นไปค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูรถกระจกด้านซ้ายลงทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วคนขับก็มองมาที่รถคุณบ๊อบกับแฟนคุณบ๊อบนะคะแฟนของคุณบ๊อบก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปอะไรหรอกขับรถแถวนี้มันต้องใจเย็น คุณบ๊อบก็เลยพยายามไม่สนใจค่ะแต่ว่าพอขับไปสักพักหนึ่งก็เจอรถดิฟไฟใส่อีกจนรู้สึกว่าไม่ไหวละมันต้องมีอะไรผิดปกติกับรถแน่ๆเลยก็เลยขับรถไปหาที่สว่างเพื่อจะจอดดูรถนะคะคุณบ๊อบก็เลยเปิดไฟสูงตลอดทางในตอนที่ไม่มีรถสวนเลนมาแต่ว่าจังหวะนั้นก็เห็นคนเดินอยู่ข้างถนนฝั่งซ้ายค่ะพอรถของคุณบ๊อบใกล้เข้าไปเรื่อยๆเอ๊ะรู้สึกคุ้นๆว่าเหมือนจะเคยเจอลุงคนนี้มาก่อน พอแสงไปได้ก็เลยมองที่กระจกหลังพยายามนึกนะคะว่าเจอกันที่ไหนเพราะรู้สึกว่าคุณมากแต่คิดไม่ออกนะคะว่าเจอกันที่ไหนก็เลยขับรถต่อไปสักพักแฟนที่อยู่เบาะข้างๆก็เลยพูดว่าตัวเองจะมาปรับเบาะนั่งเขาทาไมเนี่ยถาเขาติดคอนโซลแล้วนะคุณบ๊อบก็เลยตอบว่าปรับอะไรล่ะมือจับพวงมาลัยอยู่เนี่ย จังหวะที่คุณบ๊อบกับแฟนนั่งเถียงกันอยู่ค่ะบอกมันก็ปรับเองลงไปเองต่อหน้าต่อตาคุณบ๊อบก็เลยก้มลงไปมองดูคิดว่าระบบมันไม่ดีแล้วละ่ะหรือยังไงแต่ว่าสักพักหนึ่งนะคะก็ได้กลิ่นสาบเข้ามาในรถลักษณะกลิ่นสาบเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลาหลายวันคุณบ๊อบก็เลยมองดูปุ่มที่เอาอากาศด้านนอกเข้ามาในรถแต่ก็ยังมีไฟขึ้นปกตินะคะสักพักหนึ่ง ก็มีผู้ชายเดินอยู่ข้างทางในระยะประมาณ100เมตรนะรูปร่างการแต่งตัวเหมือนกับคุณลุงที่คุณบ็อบเพิ่งจะขับผ่านมาเมื่อสักครู่ทุกอย่างเลยแต่ว่าอยู่ฝั่งขวาคุณบ็อบก็เลยเริ่มตห ง, งิดต ง, งิดใจเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่เพิ่งจะขับผ่านมาเมื่อสักครู่พอขับรถผ่านไปก็เลยมองที่กระจกหลังก็คิดนะคว่าอืมต้องใช่คนเดียวกันแน่ๆก็เลยเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังแวบขึ้นมาแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้ค่ะบอกว่าตอนแวะเข้าไปในห้องน้ําปั๊ม ก็เลยคุยให้แฟนฟังบอกว่าตอนที่ตัวเองบอกว่ามีคนเปิดประตูเข้ามาในรถตอนที่จอดนอนในปัม๊มมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิแล้วแฟนก็เลยเอามือมาวางที่ขางคุณบ๊อบแล้วก็พูดว่าตัวเองไม่รักเขาคุณบ๊อบก็เลยตอบไปบอกว่าบ้าบอคอระครังไม่รักยังไงแฟนของคุณบ๊อบก็เลยบอกเนี่ยในรถไม่มีพระเลยมีอยู่แค่องเดียวที่ตัวเองห้อยอยู่เนี่ยทาไมไม่เอามาเป็นส่วนกลางล่ะ คุณบ๊อบก็เลยถอดพระที่คอมาห้อยไว้ตรงกระจกมองหลังปรากฏว่าในจังหวะที่รถกําลังวิ่งอยู่ได้ยินเสียงดังพรึบนะคที่ฝากระโปรงหน้าไปจนถึงท้ายรถค่ะแล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปคุณบ๊อบกับแฟนตกใจมากเริ่มจะคุมสติไม่ค่อยอยู่แล้วล่ะคุณบ๊อบก็เลยพยายามปลอบแฟนบอกว่าใจเย็นๆนะเราต้องรีบไปหาที่ที่มีคนเยอะแล้วค่อยจอดดูจอดตรงนี้ไม่ได้ขับไปเรื่อยๆคราวนี้เจอคุณลุงคนเดิมอีกแล้วค่ะแต่ว่าเดินอยู่ข้างถนนด้านหน้าไกลๆ คุณบ๊อบก็รู้สึกตัวชาแต่ก็คิดว่าเอา้าไหนๆก็ไหนๆและครั้งนี้ขอดูหน้าหน่อยละกันก็เลยยกคันเร่งขึ้นปล่อยให้รถค่อยๆไหลไปข้างหน้าช้าๆจนใกล้ถึงที่คุณลุงคนนั้นเข้าไปเรื่อยๆพอถึงระยะห่างประมาณ20เมตรคุณบ๊อบจําได้ทันทีเลยว่าลุงคนนี้คือลุงที่นั่งคอพับอยู่ในห้องน้ำปั๊มนี่เองคุณบ็อบก็เลยรู้สึกเลยนะฮะว่าผืนที่ขึ้นแขนเนี่ยมันเรียงกันเป็นเม็ด ก็คือขนมันตั้งเพราะความกลัวนะคะจนรถนะคะมันได้เลยคุณลุงคนนั้นไปคุณบ๊อบก็ตั้งสติได้ก็เลยรีบเหยียบคันเร่งค่ะตาก็มองที่กระจกหลังปรากฏนะคะว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยเดินติดอยู่กับท้ายรถของคุณบ๊อบแล้วก็ทิ้งห่างออกไปเรื่อย ๆ, ๆคุณบ๊อบตกใจมองแบบตาค้างแล้วก็รีบคุมสติกลับมามองข้างหน้าพยายามมีสติกับการขับรถ รู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลออกมาจากทุกส่วนของร่างกายทั้งๆ ท, ท, ที่ในรถเปิดแอร์เย็นจนแทบสัน่นสักพักคุณบ๊อบก็เลยลองเหลือบไปมองกระจกหลังค่ะแต่ว่าก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณลุงคนนั้นยังเดินอยู่ชิดติดกับท้ายรถแล้วก็ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆจนคุณบ๊อบเหมือนกำลังว่าดูหนังซ้าๆไปซ้าๆมาแฟนคุณบ็อบเอามือมาจับที่ขาคุณบ็อบนะคะคุณบ็อบก็เลยเริ่มได้สติกลับมาบ้าง ก็เลยจับมือแฟนเวนแนนเลยล่ะค่ะแล้วก็คิดว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ทําให้รู้สึกถึงความกลัวสุดขีดได้ขนาดนี้ณนะวินาทีนั้นคุณบ๊อบบอกว่าภาวนาอยู่เรื่องเดียวเลยภาวนาว่าขอให้เจอปั๊มขอให้เจอปั๊มจนขับต่อไปได้ประมาณ15นาทีก็เจอป้ายข้างทางซึ่งเขียนว่าจุดพักรถอีก5กิโเมตรพอถึงปั๊มค่ะแฟนบอกให้รี่ไปจอดหน้าเซเว่นก่อนเลยหลังจากจอดรถคุณบ๊อบลงมาดูรอบๆรถ ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติคุณบ๊อบกับแฟนก็เลยนั่งกันอยู่ในรถหน้าเซเวน่นตั้งแต่ตี3ามนหึงหก 1, โมงเช้าค่ะสักพักก็มีรถกระบาดสีขาวขับมาจอดข้างๆแล้วก็มีผู้ชายใส่ชุดสีขาวแล้วก็พระอีกประมาณ2อถึงสรูปลงมาจากรถคาดว่าน่าจะถูกนิมนต์ให้ไปสวดที่ไหนสักแห่งแล้วอยู่ๆพระรูปหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะท่านมองดูในรถของคุณบ๊อบแล้วก็พูดว่าเอารถไปรถน้ำมนตบ้างนะลูกเขาอยู่ในรถกับลูกนะไปทําอะไรกันมาล่ะ คุณบ๊อบก็เลยรู้สึกเสียวสันหลังแป๊บขึ้นมาทันทีแล้วตอบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยครับรถคันนี้ออกจากศูนย์มาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับหลวงพ่อท่านก็พูดนะฮะบอกว่ากลับบ้านไปก็ไปทําบุญรถหน่อยนะเขาตามมาคุณบ๊อบแล้วก็แฟนก็เลยซื้อของทําบุญกับหลวงพ่อที่หน้าเซเว่นนั่นเลยนะคะแล้วก็ขับรถเข้ากรุงเทพไปทําบุญที่วัดสะพานสูงแล้วก็ได้ให้หลวงพ่อท่านอาบน้ำมนต์จากนั้นเหตุการณ์ก็ปกตินะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบ๊อบเล่าให้ฟังค่ะ มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อประมาณสักสิปีที่ผ่านมาช่วงนั้นคุณโน่กำลังศึกษาอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะพักอยู่ที่หอแล้วก็จะกลับมาที่บ้านนะคะช่วงวันศุกร์ตอนเย็นทุกอาทิตย์ค่ะ วันหนึ่งคุณโน้อยู่ที่บ้านก็ได้มีเพื่อนมาชวนบอกว่าตอนเย็นเนี่ยจะไปหาจับกบกันบอกว่าฝนมันตกด้วยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นหน้าฝนน้ำหลากเข้าทุ่งนาคุณโน่ก็เลยตกลงไปด้วยตามประสาคนต่างจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานทำไร่ทำนานะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณโน่และก็เพื่อนค่ะก็ได้เตรียมข้าวของกันไปไปทั้งหมด3มคน ทุกนาจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรก็ได้เอาของไปเก็บไว้ในกระท่อบที่เถียงนาค่ะจากนั้นก็เริ่มแยกย้ายกันเดินออกหาจับกบโดยมีไฟฉายที่หัวกับไม้แทงกบจนเวลาประมาณ2องทุ่มก็กลับมาที่กระท่อบแล้วก็เอากบและก็ปลาที่หามาได้นะคะทําเป็นอาหารกินกันในกระท่อบแล้วก็นั่งทานกันไปเรื่อยๆจนประมาณ4ี่ทุ่ก็คิดว่าจะออกไปหากันอีกรอบนึงแต่ว่าฝนตกแรงมากจึงได้หยุดนั่งคุยกันที่กระท่อบ จนเกือบเที่ยงคืนค่ะฝนก็เริ่มซาเพื่อนก็เลยบอกว่าออกไปตอนนี้เลยกบหน้าจะเยอะมากไม่ต้องรอให้ฝนหยุดหรอกก็เลยแยกย้ายกันออกไปหากบหาปลาต่อนะคะจนประมาณ30นาทีคุณโ น, โนสังเกตเห็นแสงไฟอยู่ในป่าข้างๆทุ่งนาซึ่งเป็นป่าทึบห่างจากคุณโนประมาณ30เมตรลักษณะเป็นแสงไฟเท่าลูกกาปั้นนะคะลอยผุดขึ้นผุดลงอยู่ตรงชายป่าสุดเขตทุ่งนา คุณโน่ก็เห็นเพื่อนคนนึงที่อยู่แถวๆนั้นด้วยชื่อต้อมคุณต้อมก็เดินส่องไฟฉายเข้าไปหาแสงไฟลูกนั้นจนห่างกันแค่ประมาณ5เมตรค่ะและแล้วคุณต้อมก็ต้องหยุดชะงักแล้วก็รีบกลับหลังหันวิ่งออกมาทันทีคุณโน่ที่ยืนมองอยู่ก็งงว่าคุณต้อมวิ่งทําไมและเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อจอมก็ยืนอยู่ข้างๆเหมือนกันคุณโน่ก็เลยเดินไปหาคุณจอมแล้วก็ถามจอมบอกว่าต้อมมันเป็นอะไรคุณจอมตอบกลับบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเอ็งเดินตามมา คุณจอมก็เลยเดินแบบเร็ ว, รวนําหน้าไปเนีคะเพื่อที่จะเข้าไปหาแสงที่อยู่ตรงชายป่าคุณโน่ก็งงค่ะนึกไม่ออกว่าคุณจอมจะทําอะไรจนห่างจากแสงประหลาดนั่นประมาณสัก4ี่เมตรทําให้คุณโน่มองเห็นได้ชัดถนัดตาว่าเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่แกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีแสงไฟออกมาจากปากซึ่งกําลังนั่งคุกเข่าเอาหน้ามุดดูตามพื้นดินเหมือนกําลังหาอะไรกินนี่แหละนีคะคุณโน่ขนลุกยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นกําลังจะหันหลังวิ่ง แต่ว่าคุณจอมดึงเสื้อเอาไว้แล้วคุณจอมก็เลยพูดกับลุงคนนั้นบอกว่าผมรู้นะลุงจะมาทําให้พวกผมกลัวใช่ไหมต่างคนต่างหากินของตัวเองพวกผมก็เป็นลูกเป็นหลานของลุงในหมู่บ้านต่างคนต่างอยู่นะคุณลุงได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งยองๆแล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเสียงเบาจนไม่ได้ยินคุณจอมก็เลยเดินลากคุณโน่กลับออกมาแล้วก็หันมาพูดทิ้งทายว่าอย่าตามมานะพวกผมไม่กลัวพวกผมไม่ใช่คนถิ่นอื่น คุณโน่ก็เลยหันหลังไปมองค่ะเห็นลุงนั่งยองๆจ้องหน้าขม้งเลยนะคะด้วยดวงตาแดงกำ่ำคุณจอมก็เลยพูดว่าไอ้โน่เองเอามีดกับปืนมาด้วยใช่ไหมเอามานี่ดิคุณจอมเดินถือมีดเข้าไปง้างฟันลงเต็มที่เลยนะคะแต่คุณลุงกระโดด ถ, ถอยหลังหนีทันค่ะแล้วก็ทําปากขมุบขมิบอยู่ตลอดเวลาคุณจอมก็กระชากพระที่คอออกมาแล้วตะโกนมาทางคุณโน่บอกว่าไอ้โน่เองตามเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้าไปหาคุณลุง จนคุณลุงกระโดดหนีหายเข้าไปในป่าค่ะคุณนอ ก, ก็เลยพูดด้วยปากสันๆบอกว่ากลับบ้านกันก่อนดีไหมคุณจอมบอกว่าจะกลับทำไมไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็เลยเดินกลับกันไปที่เถียง น, นาก็เจอคุณต้อมหานั่งสั่นอยู่ในกระต๊อบ คุณลุงที่เจอในป่าเนี่ยคือคนที่เล่นของอยู่ในหมู่บ้านอายุ90กว่าปีแล้วและจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่บนแค่แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็มักจะมีชาวบ้านที่มาจับกบแล้วก็พบเห็นดวงไฟตามชายป่านะคะพอเข้าไปดูก็จะเห็นลุงคนนี้กำลังจับกบกิน ส, สดๆจนชาวบ้านตกอกตกใจหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าวิ่งหนีกันจนทุ่งนาแตกกระเจิงค่ะแบบนี้ทางภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าผีเป้า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทางภาคอื่นถิ่นอื่นของประเทศไทยเนี่ยจะเรียกว่าอะไรพอได้เล่าเรื่องราวนี้มันก็ทำให้บีเองฉุกคิดขึ้นมานะคะถึงสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กอยู่ทางภาคอีสานนะคะจังหวัดยะโสธรคือบ้านเกิดของบีเองตอนนั้นรู้สึกว่าจะอายุประมาณสัก 11-12 ขวบ ถ้าจําไม่ผิดนะคะคือกำลังนั่งทานข้าวกับพ่อที่ทุ่งนาทุ่งนาจะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1-2 อกิโลนะคะซึ่งสมัยก่อนนั้นชนบททางภาคอีสานเนี่ยมันจะมีป่าค่อนข้างเยอะอยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมีข้าวในานา้ำมีปลาในานา้ำมีกุ้งหอยปูปลาให้เราหากินได้แบบค่อนข้างเยอะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะซึ่งรัวรอบขอบชิดกันหมดแล้ว คืนนั้นเป็นคืนน่าจะพระันทร์เต็มดวงนะคะถ้าจําไม่ผิดนะก็นั่งทานข้าวกับคุณพ่อก็คือจะเป็นเถียงนาถ้าเป็นภาคอีสานเขาจะเรียกว่าเถียงนาภาคเหนือก็จะเรียกว่าขนามนะคะอ่าไม่ใช่ขออภัยค่ะถ้าเป็นภาคใต้จะเรียกว่าขนามถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเรียกว่าอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มันจะเป็นสองชั้นชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่แบบว่าผูกวัวผูกควายไว้แล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไป ก็จะเป็นชันยื่นออกมาทางทิศตะวันออกซึ่งฝั่งทางที่ตะวันออกมันจะเป็นป่าคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามมันจะเป็นป่านะคะแล้วทีนี้เนี่ยนั่งกินข้าวกับพ่ออยู่มันสักทุ่มสองทุ่มน่าจะจําไม่ผิดมันมีแสงไฟสีม่วงม่วงกลมๆใหญ่ๆลอยออกมาจากป่าแล้วก็ลอยขึ้นลอยขึ้นเหนือป่าขึ้นมาแล้วก็ลอยไปแล้วก็หายวิบสักพักก็มีไฟขึ้นมาอีกเป็นสีชมพูลอยไปเหมือนเดิมแล้วก็หายวับ ด้วยความที่เราเป็นเด็กเะนาะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยทักนะคะบอกพ่อพอันนี้คือแสงอะไรแสงอะไรแสงอะไรด้วยความตื่นเต้นพ่อก็เลยบอกว่าอย่าทักจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะบีก็เลยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์แล้วก็ลักษณะมันก็จะคละ้ายคลกันกับเรื่องที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วได้รู้แล้วนะคะในสิ่งที่บีได้เล่าให้ฟังไปมันคืออะไร ใครเคยเห็นแบบที่บีเคยเจอบ้างเมื่อสมัยเป็นเด็กยังไงก็อย่าลององย่าลืมนะคะลองคอมเมนต์ให้บีได้รับทราบนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะ ที่เฟซบุ o กแฟนเพจ www.facebook.com ดอ a เฟพระเจอผีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช anel น, น, นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ลาไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ